คนไม่รู้จักหลวงปู ด, ดูละหลวงปู ด, ดูลเป็นพระที่มีบุญมากเลยโยมไม่รู้จักท่านเลยอายุยืนองค์ไหนโยมรู้จักเยอะๆนะอายุสั้นโยมไปขวนอย่างหลวงปู่เทศนะตอนหลักๆเขาก็กันไม่ให้เข้าถึงท่านง่ายๆไม่ไหวไม่งั้นท่านอยู่ไม่ไหวอย่างหลวงปู่เทศเนะี่ยเป็นพระทึ่ง ไม่เอาเลยนะเรื่องวัตถุมงคลอะไรเงี้ยไม่สนใจเลยถ้าใครไปเรียนกับท่านไปยุ่งเรื่องพวกนี้ท่านรู้ท่านว่าเอาเองทีแรกคนไปให้เป่าขมิบนะไม่มีฟักเครื่องให้ขอพระไม่มีมีแต่หนังสือกระเท็บถ้าเดี๋ยวนี้ก็มีซีดีขอรถน้ำมนต์ไม่มีมีน้ำในแม่น้ำโขงมาเปรถเอาเอง <c oughs> มีเยอะเลยนะ ขออะไรไม่มีสัอย่างขอให้ช่วยเป่ากระหม่อมเ่เป่าหัวนั่นถามปวดหัวเหรอสุดท้ายแล้วก็ <c oughs> ก็ก้มหัวมามุดมุดมุดท่านรีบเป่าเลยคนอื่นเห็นนะก็เอามาให้ท่านเป่าใหญ่คนไปถามท่านลูกศิษย์ที่ใกล้ๆหลวงปู่ไปเป่าทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้หลวงปู่เป่ากระหม่อมแล้วเหรอเม้นจะขาดใจ รีบเป่าแล้วเขาจะได้รีบไปนะหายใจไม่ออกรีไปไปไปนะหลวงพูดูลก็เหมือนกันนะหลวงพูดูลไม่สนใจเลยเรื่องอิทธิปฏิหารมีพระถามท่านว่าอิทธิปฏิหารมีจริงๆรหรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรท่านบอกเป็นเรื่องพลังงานของจิตเท่านั้นเอง อย่างถ้าเราเรียนกรรมฐานเนี่ยล้วไปขอพระท่านไปขอเหรียนท่านนะท่านก็อาจจะพูดย่อๆแต่ได้ใจความเรียนมาเท่านี้ยังไม่หายโง่อีกเหรอแต่ว่าท่านก็ทำนะ ท, ท่านก็บอกบางคนอินทรีย์ยังอ่อนก็ทำให้ให้เขานึกถึงพระก็ดีกว่านึกถึงมารเวลาจะทำชั่วทำผิดศีลละอายใจมีพระอยู่อะไร ทุกวันนี้นะพระหลวงปูดุลซึ่งแต่ก่อนเนี้แจกยังไม่มีคนเอาเลยเดี๋ยนี้แพงมากเลยบางรุ่นนะถึงแสนแล้วถือเป็นพระสายหลวงปู่มั่นที่แพงเป็นอันดับสองอันดับหนึ่งคือหลวงปู่ฟัน่นแพงมานาน ล, ละตอนนี้พระหลวงปูดุลแพงมากเลยในวงการพระเครื่องเขาสงสัยว่าทําไมแพงสืบไปสืบมาก็เพราะลูกศิษย์หลวงพ่อประโม้นี่แหละไปซื้อ เรียนจนปั่นนี้ยังไม่หายง่ไปซื้อเงินแพงมากเลยนะแพงเป็นแสนเลยบางทีเกินแสนอีกในวงการพระเขาก็ปั่นขึ้นมาเลยว่ารุ่นนี้หลวงปู่ปลูกเศษรุ่นนี้ปลูกเศษเคยถามท่านว่าหลวงปู่ปลูกเศษพ่าด้วยหรอเราเราทำสมาธิของเราเฉย ใครเขจะเสกไงไม่รู้เราดูจิตเราอย่างเดียวเราไม่ยุ่งด้วยหรอกเนี่ยบางรุ่นนะบอกรุ่นไตรามาสเสกสามเดือนรุ่นไตรามาส ถ, ถามพระอุปัากว่าโอ้รุ่นนี้หลวงปู่เสกสามเดือนชัวร์เหรอบอกเขามาถึงนะเขาก็ขนพระมาไว้ในกุฏิท่านนะอะวางไว้ตรงห้องถงนะวางตั้งแต่เข้าพรรษานะออกพรรษาก็มาเอาไป หลวงปู่ทาไงบ้างอะหลวงปู่ไม่เคยมองเลยะ <Yeah. S 1> มท่านไม่สนใจเอาจริงๆนะอ mm. มีรุ่นที่ท่านทําให้จริงๆมีแต่มีไม่กี่รุ่นหรอกอรุ่นที่แพงๆนี่ไม่ใช่หรอก <Okay. S 1> ไปหลงซื้อนะเสียได้ตังค์ปั่นขึ้นมากันไต่ไปหมดเลยตอนเนี้ย mm. มีเงินกลายเป็นหลวงพ่อเป็นเครื่องมือ mm. ทําให้ปลาหลวงปู่แพง จริงมีอยู่สองสามรุ่นหรอกที่ท่านอธิษฐานให้แต่ไม่บอกหรอก <c oughs> เดี๋ยวรุ่นนี้แพง <c oughs> นอกนั้นเหรอเรียกไปต่างปลูกเสกท่านก็ดูจิตของท่านท่านไม่สนใจหรอก <Yes. S 1> ท่านไม่เอาจริงๆนะ <c oughs> ทั้งๆ ท, ที่ท่านเป็นพระทึ่ท่าเล่นพวกนี้หากินทางนี้นะท่านดังมากเลยไม่ใช่พระธรรมดา <c oughs> <c oughs> ท่านแสดงให้เห็นเหมือนกันนะแต่ว่าเพื่อการสั่งสอนไม่ใช่เพื่อทําของขายมีวันหนึ่งพระอุปถาคคุยกันพระอุปถาก็เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่เนี่ยอยู่ๆก็ชอบหายไปเฉยๆพระอุปถากเนี่ยจะนอนอยู่ข้างเตียงท่านถ้าท่านลงจากเตียงต้องเหยียบพระอุปถา ก, ก่อน <c oughs> เพื่อว่าเวลาท่านกลางคืนท่านเข้าห้องน้ำนะ พระประทักจะได้ประคองท่านไปได้ท่านแก่มากมีวันหนึ่งพระประทักตื่นขึ้นมาเฮ้ยหลวงปู่ไม่อยู่ตลงใส่หลวงปู่แอบย่องข้ามไปห้องน้ําไปดูห้องน้ําไม่มีออกมานอกห้องห้องนอนจะเป็นห้องโถงที่ที่ทางออกไปสู่ระเบียงจากห้องโถงนี่มีทางออกไปสู่ระเบียงปิดประตูอยู่ล็อกอยู่ไม่ได้เปิดออกไปไม้เท้าก็อยู่รองเท้าก็อยู่แต่หลวงปู่หายไป นี่ลกูกศิรย์หลวงปู่ที่รู้อย่างหนึ่งว่าหลวงปู่เนี่ยชอบหายองค์นี้ท่านก็โอ้สงสัยหลวงปู่หายตัวเล่นนะกลับไปที่เตียงนะท่านต้องอยู่บนเตียงคลําคลำไม่เจอไปยกที่นอนขึ้นสะบัดนะใช่ไหนี่นักพิสูจนะ์ไม่มีตายแล้ววะที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีนะข้างนอกก็ไม่ได้ออกไป ท่านก็นอนนั่งกอดเข่าเจ้าจุกหลวงปู่หายมีความผิดสิเป็นพระอุปัฐากทำหลวงปู่หายอะ่ะ <c oughs> ใครมารักไปเขาไม่รู้นะกลุ้มใจนะเขากลังกลุ้มใจได้ยินเสียงห <c oughs> ลวงปู่นั่งสมาธิอยู่บนที่นอนที่ยกขึ้นสะบัดนะ <c oughs> <c oughs> มีบางคราวท่านก็หายไปอย่างเนี้ยนะคนจะมาหาพระก็บอกอยู่ในกุฏิเข้าไปดูไม่เจอ ก็บอกหลวงปู่ไม่อยู่หรอกพระไม่เข้าใจท่านหนีไปไหนล้วมีแม่ชีคนหนึ่งท่านอุปถาวหลวงปู่มานานนะชื่อคุณใหย่ยศคุณใหญ่ยศเนี่ยคุ้นเคยท่านมากพอเข้าไปหาท่านไปต่อว่าท่านหลวงปู่ที่หลังอย่าเล่นอย่างนี้นะนบอกเราไม่ได้เล่นนะเราทําสมาธิของเรามันหายไปเองช่วยไม่ได้นะทําวิจารณนิสัยท่านเป็นใหญ่นั้นเองเป็นเป็น ของท่านอย่างนั้นเองแต่ท่านไม่สนใจพักเครื่องหรอกนะเคยมีคนเอารูปรูปไปให้ท่านรูปท่านอ่ะให้ท่านเอาแป้งเจิมหน่อยปึกแค่เนี้ยโอ้โหเจิมอย่างนี้แก่แล้วเจิมนานไม่เอาะเจิมมันทีเดียวนะจิ้มข้างหน้านะถึงข้างหลังเลย <c oughs> ติดแป้งหมดเลยนะสรุปก็คือท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องพลังงานของจิต ความศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่มีหรอกที่จริงคือพลังงานทั้งนั้นเลยดูพูดเป็นฟิสิกส์เลยนะเป็นเรื่องของพลังงานทั้งนั้นเลยสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะท่านสอนพวกเรานักหนาเลยสอนให้เจริญสติให้ดูจิตดูใจให้พ้นทุกข์ไปสิ่งเหล่านี้ไม่สอนหรอกนะแต่ทําให้ดูเป็นครั้งคราวเวลาลูกศิษย์ชักจะท้อแท้ใจในการปฏิบัติอะไรเงี้ยทาให้ดูบ้างนะทําแปลกๆได้เยอะ ความอัศจรรย์ของท่านนะย่งรู้อนาคตรู้อดีตรู้ใน เ, เรื่องเพลนๆสำหรับท่านท่านสร้างบารมีมานานเคยหวังจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่สิ่งที่ท่านไม่เอาเลยก็คือพระเครื่องนะเราอย่าไปซื้อเลยเสียได้ตังคนะ์อยากได้รูปท่านเอาไว้ไวานะก็เอารูปกระดาษมาว่ายก็เหมือนกันได้เพราะท่านไม่ได้ปลูกเศษให้รุ่นที่ปลูกเศจให้มีอยู่สองสามรุ่นเท่านั้นเองแต่รุ่นไหนไม่บอก ไอ้ที่เป็นแสนแสนไม่ใช่หรอกนะอ้ามาพร้อมกันแล้วพูดเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีใครง่วงสักคนพูดแล้วโอ้สนุกสนุกเดี๋ยวเลิกจากนี้ต้องรีบวิ่งไปตลาดพระแล้วเก็บทุกรุ่นเลยจะต้องมีสองสามรุ่นนั้นอยู่ด้วยคราวนี้ยิ่งหนักกว่าเก่าอีกหลวงพ่ออยู่กับท่านยังไม่กล้าขอเลย กลัวท่านดา่าไม่กล้าหรอกเล่นพวกนี้อ้าวต่อไปส่งกันบ้านให้สิทธิ์คนอยู่วัดก่อนช่วงนี้หลวงพ่อจำหน้าไม่ได้สักคนเลยนะเหมือนผู้ก่อการร้ายไปหมด <c oughs> ปิดไว้ก็ดีแล้วล่ะโดยเฉพาะตอนที่กำลังพูดใส่ไม่นะไม่ตัวนี้อมน้ำลายมาเยอะแล้วนะว่าไปจะมีโมหะยเยอะค่ะบางครั้งไม่มากนักหรอก พอดีพอดีพอดีนะคะพงางั้งเวลาจะดูแค่เผลอกับรู้สึกตัวคะ่ะเวลาเผลอบางครั้งก็ยังมีดึงกลับมาอย่างนั้นแหละดีแล้วรู้ไปนะที่ฝึอกอยู่ใช้ได้แล้วมีโมหันนิดหน่อยรักตัวเองเจ้าค่ะทำไมตกนรกทุกวันนี้เจ้าค่ะรักแล้วทำไมโกรธลนะ่ะก็ไปเพิ่มไฟด้วยดูค่ะไม่พอใจความโกรธช่วงนี้นะเป็นช่วง นาที่ทองของการปฏิบัติของคุณนานะช่วงเนี้ยเพราะว่ามีผัสสะที่ไม่ชอบใจอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าหนีไปอยู่คนเดียวในถ้ำจะภาวนาไม่ได้เท่านี้นะเพราะงั้นตอนนี้ดีแล้วเหมือนหลวงพ่อนะสมัยทํางานเจอหัวหน้าวุ่นวายมากเลยช่วงนั้นภาวนาดีมากเลยพอเปลี่ยนงานนะเงินเดือนก็เยอะนายเราก็เลือกเองนะ งานเราก็เลือกเองโสดสบายไปทุกอย่างเลยภาวนาหรเ อ, อยวยเฉยเลยไม่ได้เรื่องเลยงั้นเวลาที่เรามีปัญหาชีวิตเนี่ยเป็นเวลาที่ภาวนาได้กระชับกระเฉงที่สุดเลยแต่ต้องไม่ปัญหามากจนสติแตกนะมีปัญหาเนืองๆ น, น, นะขับคล้องใจอย่างเงี้ยไม่รู้จะทําไงาดูมันลูกเดียวเลยมันขยันดูคนสมัยก่อนอดทนเวลาชีวิตมีปัญหาเนี่ยเขาจะทนนะเขาไม่ค่อยหนี่ เด็กเดี๋ยวนี้อ่อนแอทางานที่นี่ไม่กี่วันก็ออกแล้วย้ายงานไปโน่นไปนี่นะนี่ใส่อ่อนแออย่างนี้ภาวนายากนะต้องอดทนหน่อยเวลาชีวิตมีปัญหามีความทุกข์ไม่วิ่งหนีไปเรื่อยๆนะอยู่ตรงไหนก็มีปัญหาเพราะปัญหาอยู่ที่ใจเราเองไปไหนเราก็เอาใจของเราไปด้วยถ้าเราคอยเรียนรู้จิตใจของเราช่วงเวลาที่มีปัญหานั่นแหละเป็นเวลาที่ภาวนาดีที่สุดเลยกระชับกระเฉงช่วงไหนมีความสุขมีความสบายมาก มันเผลอเผลง่ายจะเผลนเผลนไปวันหนึ่งวันหนึ่งแป๊บเดียวหมดไปปีหนึ่งละนี่จะสิ้นปีอีกละใกล้จะจบปีอีกปีเองละไปทำนะช่วงนี้ยพวนาดีขึ้นจิตใจมีเรี่ยวมีแรงขึ้นเพราะปัญหามันเยอะอ้าวต่อไปเบอร์ส4เบอร์ส4สเชิญยกมือสี <4 S 1> อ่เดือนก่อนคุณหลวงพ่อบอกว่า ให้ไปดูกรรมฐานก็คือดูกายที่เคลื่อนไหวอะค่ะก็รู้สึกว่าจิตมันคลายออกนะคะต้องเหยื่อสิแล้วก็แต่ว่าเราบังคับไม่ได้ว่าจิตจะดูกายหรือจะดูจิตใช่แล้วแต่ภาวนาถูกค่ะแล้วก็เห็นกิเลสเยอะขึ้นเยอะมากนะคะดีทั้งอัตตาแล้วก็โทสะการเพ่งความไม่เป็นกลางอย่างตอนนี้มีเพ่งนิดหน่อยแข็งมากเลยค่ะมันตื่นเต้นหรืเพ่งไหม กฎอยู่ อ, อถูกต้องนะพอนำเป็นล้พอนำเป็นหมายถึงสามารถรู้สภาวะทั้งหลายที่ปรากฏได้ลแล้วนี่เหลือนิดเดียวพอรู้สภาวะทั้งหลายแล้วรู้ด้วยความเป็นกลางได้ไหมตอนนี้นะรู้สึกเป็นกลางมากขึ้นแต่ยังไม่เป็นกลางเป็นกลางเนี่ยเกิดได้หลายแบบอันที่หนึ่งเกิดจากการเพ่งน้อยถ้าเพ่งใจทื่ๆแล้วเป็นกลางเนี่ยไม่ดีอันที่สองเป็นกลางเพราะมีปัญญานะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเปนชั่วคราวอะ ในสุดจิตมันเป็นกลางเองอันนี้ดีที่สุดเลยความจริงมีอันหนึ่งเป็นกลางด้วยสติคือทีแรกเป็นกลางด้วยการเพ่งอันที่สองเนี่ยเป็นกลางเพราะมีสติเช่นรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางความไม่เป็นกลางดับนั้นก็เป็นกลางขึ้นมาชั่วคราวอันนี้ก็ยังดีอยู่อย่างที่ดีที่สุดคือเป็นกลางด้วยปัญญาะแลเวลาที่เรามีสติตามดูไปเรื่อยเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับไปเรื่อยเห็นจิตเป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างนะ ทั้งเป็นกลางทั้งยินดีทั้งยินร้ายก็มีแต่เกิดดับอีกในสุดปัญญามันเกิดมัเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับพอปัญญาเกิดเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับเนี่ยจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาความทุกข์มาก็ไม่ทุรนทุรายเพราะรู้ว่าไม่นานก็ดับความสุขมาก็ไม่ติดใจรักใคร่ปัวพันธุเพราะรู้ว่าอยู่ไม่นานก็ดับเนี่ยอย่างนี้เป็นกลางอย่างนี้ใช้ได้เลยพวกเราที่ภาวนานะวันหนึ่งเราจะต้องมาสู่จุดนี้ให้ได้คือความเป็นกลางด้วยปัญญา ถัดจากการเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วเนี่ยถัดนั้นขึ้นไปนะอริยมรรคจะเกิดละจุดสุดท้ายที่พวกเราจะภาวนาได้นะก็คือภาวนาจนกระทั่งจิตเป็นกลางด้วยปัญญาเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับดูไปวันหนึ่งจิตมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตจะเป็นกลางจิตเป็นกลางตัวนี้เรียกว่าจิตมีสังขารู้เบกขายานยานแปลว่าปัญญา สังขารู้เบกขาก็คือมีอุเบกขาต่อความปรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกขนะ์จิตที่เดินมาถึงสังขารู้เบกขายานเนี่ยจะมีรอยแยกสองทางมีทางแยกทางที่1นะพวกเห็นภัยในสังสารวัฏพวกนี้จะพลิกไปสู่การเกิดมรรคผลพวกที่2นะเกิดความการุณาสงสารสัตว์โลกจิตจะพลิกไปสู่ความเป็นพระโพธิสัตวนะ์มีพลิกไปได้สองทาง แล้วพวกที่เป็นโพธิสัตว์ที่เข้ามาถึงตรงนี้ได้นะถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะได้รับพยากรณ์ว่าอีกสิบหกอสงไขยแสนมหากัปข้างหน้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอีกนานโลกแตกหลายรอบหลวงพ่อคะแล้วหนูทำในรูปแบบได้หรือยังคะหรือว่ายังไม่ควรคะควรละ <c oughs> เรารู้ว่าเพ่งเป็นยังไงละทในรูปแบบได้อย่าไปเพ่งก็แล้วกัน <c oughs> ที่ฝึกอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะหลวงพ่อโมทนาที่คุณไม่ดื้ อ, อถ้าดื้อมาอไม่ได้หรอกขอบคุณค่ะอ้าวเบอร์สี่สิบนมัสการหลวงพ่อครับตัวันนี้ก็ฝึกแบบรูปแบบครับในรูปแบบแล้วก็ในชีวิตการทำงานก็จเจริญสติไปลู ก, กายดูใจบ้า ง, งาเห็นก็<อ>หเห็นครับโอ้ดีแล้วก็มาที่นี่หลายครั้งแล้ว เป็น<ม>ลกลาสงสงบก้านเป็นกลางไหมตอนนี้เป็นกลางหรื อ, อยังตองนนี้ไม่ครับไม่เป็นกลางนะใช้ได้รู้แล้วว่าไม่เป็นกลางก็ใช้ได้การภาวนาไม่มีอะไรมากหรอกหัดรู้สภาวะอย่างตอนนี้คุณเห็นสภาวะแล้วใช่ไหมความโลภความโกรธความหลงอะไรเนี่สภาวะทั้งนั้นแหละความสุขความทุกข์นี่สภาวะเห็นสภาวะเกิดมาแล้วก็ไปเกิดมาแล้วก็ไปนรู้ไปเรื่อยวันหนึ่งใจเป็นกลางขึ้นมาออยากให้หลวงพ่อแนะนํา ไม่ต้องแน่และเหลืออันเดียวนะความสม่ําเสมอในการปฏิบัติทําถูกละครับเมื่อทําถูกแล้ ว, ลวดูยาวสม่ําเสมอจุดที่ต้องระวังมีอยู่อันเดียวถึงตอนนี้นะก็คือการไปหลงติดอยู่ในสิ่งที่ละเอียดละเอียดในความนิ่งความว่างต้องระมัดระวังของคุณยังไม่ติดนะอนี้บอกบเผื่อไว้ครับบางคนดูมาถึงตัวนี้สักพักหนึ่งนะใจสบายโล่งว่างเลยพอใจอยู่ตรง น, นั้นเลยติดอยู่ตรง น, นั้นเลย ให้เรารู้ทันว่าไปติดอยู่ความโล่งความว่างก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละอย่าไปติดกับมันรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วปล่อยใจจะพัฒนาไปเรื่อยๆของคุณทําได้ดีแล้วละ่ะเก่งกว่าหลวงพ่อแต่ก่อนโ น, น้อนอีกอ่ะเบอร์สี่ส<อ>ิบหนึ่งขอบคุณครับนะพ่อ <för S 2> เก่งกว่าหลวงพ่อเมื่อสามสิบปีก่อน กับกับนักการหลวงพ่อค่ะก่อนอื่นก้องกราบขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยค่ะกลาบขอ ข, ขอมานะที่ถาม <laughs> คือเอ่ออ ขอโหสิกรรมที่บางทีได้คิดไม่ดีไปค่ะโหสิกรรมให้ทุกท่านนะไม่ต้องขออะไรควรอ้าว่าไปค่ะก็ปฏิบัติในรูปแบบนะคะช่วงเช้ากับช่วงเย็นแล้วก็ก่อนทํางานก็จะเอางี้หลวงพ่อบอกให้ก็แล้วกันใจมันเริ่มตื่นแล้วนะค่ะแต่มันเริ่มตื่นขึ้นมาหน้าที่ต่อไปนี้ก็ดูสภาวะมันเกิดดับด้วยใจที่เป็นกลางไปได้ค่ะถ้าไม่เป็นกลางก็รู้เอาค่ะแต่ตือดูตอนนี้นี่คือถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วล่ะค่ะ ากราบขอบคุณค่ะเบอร์สิบห้าเวลาส่งกันบ้านนะพวกเราไม่ต้องคุยยาวหรอกนะค่ะกันนมาส ก, การหลวงพ่อค่ะอะจะให้หลวงพ่อช่วยดูให้หน่อยนะคะนนว่าย่ง <c oughs> สั้นไปหน่อยนะอยู่ไหนยังไม่เห็นเลย <c oughs> เห็นอ๋อเห็นแล้วค่ะว่าว่าหลับหรือตื่นอยู่อ่ะหลวงพ่อหลับอยู่ยังหลับอยู่ล้วค่ะกาลังละเมออยู่เลยตอนเนี้ย เห็นไหมใจเราก็เจิดกระเจิงกระจัดกระจายดูออกไหมค่ะตอนนี้ออแบบฟุ้ง ฟ, ฟุงนะะิดนึงอะค่ะอ่าใจมันฟุ้งซ่านกระจใจกระจใจไปรู้อย่างที่มันเป็นนะรู้อย่างเป็นกลางตอนนี้กดเอาไว้เห็นไหมนะอย่าไปกดมันนะปล่อยให้มันทํางานที่ฝึกนะก็ดีแล้วล่ะเสียอย่างเดียวจิตไม่ตั้งมั่นจิตฟุ้งซ่านไปตอนนี้ค่ะ เราไปหาทางนะเดินจงกรมบ้างอะไรบ้าง <c oughs> เห็นร่างกายมันเดินเห็นใจมันคิดดูอย่างนี้เรื่อยๆไป <c oughs> ไม่ใช่เดินเอานิ่งหรอกเดินแล้วก็คอยรู้ทันกายรู้ทันใจเป็น <c oughs> การฝึกให้สติเกิดเร็ว <c oughs> นะแล้วใจก็คอยรู้เอาเรื่อยๆแต่ไปใจก็มีสติมีความตั้งมั่นขึ้นมา ก็เดินปัญญาต่อได้ตอนนี้แอบไปคิดแล้วทราบไหมตอนนี้แวะไปนิดนึงอะคแม้ยังต่อรองว่าไปนิดนึงนะไปก็คือไปแหละค่ะร้อ153คเก่าขรับพ่อคุณค่ะไปดูสภาวะนะกลับน้ำมัศการค่ะหนูมาที่นี่ครั้งแรกค่ะอยากจะขอการบ้านค่ะที่ฝึกอยู่นะใช้ได้นะค่อยๆรู้ไปค่อยๆเรียนรู้ไปอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งก็แล้วกัน สังเกตไหมใจเรามันค่อยๆมันค่อยๆตื่นขึ้นมาดูออกไหมตรงเนี้ค่ะมันคล้ายๆเรารู้สึกตัวได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะพยายามรู้สึกไปเรื่อยแล้วก็รู้ทันเดี๋ยวตอนเนี้ใจแอบไปคิดทราบไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นส่วนตื่นเต้นสินะตื่นเต้นนี่สภาวะอันนึ่งจิตหลงไปคิดนี่ก็สภาวะอีกอันหนึ่งสังเกตไหมว่าจิตเราไหลไปคิดแวบแวบเป็นช่วงๆตรงนี้ดูออกไหมดูออกค่ะดูออกได้ตรงนี้ก็เก่ง นะต่อไปนี้<ม>จิตไหลไปคิดคอยรู้จิตไหลไปคิดแล้วคอยรู้เนี่ยไหลอีกแล้วทราบไหมทราบค่ะออหันอย่างนี้นะต่อไปร้อยเกสิบหนึ่งอยู่ข้างหลังกับนวัตการค่ะ เ, ออเคยฝึกแต่สมถะมาค่ะแล้วก็มาฟังซีดีของหลวงพ่อฝึกแบบไในใช้สมถะอะไรอนาปนสติอะค่ะเ อ, อ แล้วที่นี้ก็รู้สึกว่าตัวเองติดสงบมาค่ะแล้วดีที่รู้ดีนะค่ะแล้วก็พฏิมาฟังซีดีของหลวงพ่อค่ะแล้วก็พยายามจะพยายามที่จะตามคําตามแนะนําดูจิตเนี้ยค่ะแต่ทําไม่ค่อยเป็นนะคะจะมาขอคําแนะนำนะคะดูจิตที่ยากอะไรรู้จักโกรธไหมรู้จักค่ะรู้จักโลภไหมรู้จักค่ะรู้จักใจลอยไหมเป็นบ่อยค่ะดีใจเสียใจอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเป็นหมดเลยใช่ไหมเป็นทุกตัวแหละ นะเรารู้จักทุกตัวแล้วการดูจิตเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็ไปนั่งจ้องจิตให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาเช่นใจลอยไปก่อนแล้วรู้อ๋อใจลอยไปแล้วแค่นี้พอไม่ต้องดึงคืนเลยนะแค่รู้ว่าใจลอยไม่ใช่ห้ามใจลอยด้วยโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธไม่ได้ห้ามโกรธแล้วก็ไม่ได้หาทางแก้ไขให้ความโกรธหายไปความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าอ๋อใจโกรธไปแล้ว ความโลภเกิดขึ้นรู้ว่าอ้อใจโลภไปแล้วมีคําว่าแล้วด้วยน ะ, ะเนี่ยตามดูอย่างนี้เรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่าดูจิตเดี๋มันดูได้ละเอียดประณีตขึ้นตอนเนี้ยจิตไปคิดก่อนแลหรือไ่มัคจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดหัดอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆขนาดปัณสติก็ไม่ทิ้งหรอกหายใจเล่นๆทุกวันหายใจแต่ไม่ได้หายใจแล้วน้อมจิตให้ซึมให้เคลมหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ นะหายใจรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวสดชื่นสดชื่นเงี้ยกลัว่ามันจะเคลิมว่ะครัเออไม่ให้เคริ้มสิลืมตาไว้ <c oughs> นะลืมตาไว้ <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หลับตานะ <c oughs> ท่านบอกภิกสู่ทั้งหลายให้ครูบรรลังนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวเห็นไหมไม่มีคำว่าหลับตานะ หายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจออกยาวก็รู้สึกอยู่หายใจเข้ายาวก็รู้สึกอยู่เอาที่อะไรเอาที่ความรู้สึกนะรู้สึกตัวไปไร้หายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวฝึกอย่างนี้นะแล้วแต่ไปจิตมันขยับเยื่นอะไรเราก็คอยรู้จิตไปเพ่งก็คอยรู้อย่างตอนนี้จิตมันถอนขึ้นมาเมื่อกี้นี้ตอนนี้เริ่มเข้าไปเกาะอีกแล้วรู้สึกหมเมื่อกี้นั่นแหละคือจิตที่ตื่นนะนึกออกไหมเม่กี้เนียมันมีอยู่ช่วงหนึ่ง ตอนนี้มันเข้าไปเกาะนิ่งๆอีกงนั้นใจที่ตื่นขึ้นมานะจะไม่มีอะไรเลยไม่มีความเป็นตัวเป็นตนนะมีแต่สภาวะที่เป็นรูปธปรรมนามธรรมไหลมาไหลไปแต่ไม่มีตัวมีตนนั้นเราก็ฝึกจนใจมันตื่นตอนเนี้ใจไปคิดอีกแล้วทราบไหมทราบค่ะเออฝึกอย่างนี้นะร้อยเก้าสิบเจ็ดขอบพระคุณค่ ะ, คคะกาลการนมัสกันหลวงพ่อค่ะฟังรีดีดีของหลวงพ่อมาสามถึงสี่เดือนแล้วค่ะอก็ ได้โสดายังห่างไกลเลยค่ะอ๋อห่างไกลนะรู้ซะองกอ้าวก็คนที่ทำงานก็เริ่มถามว่าเขาไปทำอะไรมารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนราวนาถูกนะจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยเราจะเห็นกิเลสของเราเยอะขึ้นนะแต่คนรอบตัวเราจะรู้สึกว่าเราดีขึ้นใช่ค่ะแล้วก็การทำงานนี่จะใช้ความคิดเยอะมากก็ เมื่อก่อนนี้ก็จะหลงไปทั้งวันเลยก็ตอนนี้ฟังซีดีหลวงพ่อตอนเช้าขับรถไปทำงานก็ก็จะรู้สึกว่าเริ่มมีสติแล้วก็พอก็จะหลงไปกับการทำงานทั้งวันอีกช่วยวไม่ได้นะตทํงทงานให้ทำไป <นะ S 2> ก็ <c oughs> จะเปลี่ยนงานจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็จะฟังริดซีดีหลวงพ่อแล้วก็ฟังครั้งที่สามก็ตอนกลับบ้านทีนี้พอบางช่วงระหว่างวันก็จะเริ่มรู้สึกมีสติในระหว่างที่ พัจากงานก็จะเริ่มรู้ตัวบางบางคร<อ>ั้งกม็มีบ้างค่ะนะขอคําแนะนำหลวงพ่อไปแบบตนะ่าง<ร>เราต้องฝึอกอย่างนี้แหละพวกเราไม่เหมือนคนรุ่นครูบาอาจารย์นะอย่างครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านเป็นชาวไร่ชาวนาแต่ละบ้านมีลูกทั้งโหลหนึ่งหนีไปบวชซะบ้างนะที่บ้านสบายใจเพราะฉั้นมีเวลาภาวนาในรูปแบบเนี่ยเยอะทําสมาธิได้เยอะอะไรอย่างนี้ส่วนพวกเราทุกวันนี้ถ้าไม่หากินเดี๋ยวก็อดเนี่ยต้องทํามาหากิน ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตหนึ่งเย่างใช่ไหมหรือตัวเป็นนอ็อตหัวเป็นเกลียวผมไม่ใช่เนาะออทำงานหนักตลอดเวลาเลยต้องคิดมากเราไม่มีเวลาที่จะทำสมาธินานๆแล้วแล้วก็ไม่มีแรงพอที่จะทำด้วยสิ่งที่เราทำได้ทุกวันนี้นะัก็คือหัดรู้ทันจิตใจตัวเองในชีวิตจริงๆนี้ไปเลยมันทำได้ดีที่สุดเท่านี้แหละนะนได้แค่นี้จริงๆ เอาเวลากลางคืนไปนั่งสมาธิสามชั่วโมงทําไหวมั้ยถ้าไม่ไหวนะไปนั่งก็นั่งหลับอีกเพราะมันเหนื่อยจนหมดเรื่องหมดแรงกว่าจะกลับถึงบ้านนะเหมือนนกปีกหักสมซานกลับบ้านไปทุกวันทุกวันเอาแรงที่ไหนเพราะงั้นเราต้องหัดเจริญสติในชีวิตประจําวันนี่แหละบรรลุมากผลขึ้นมาแล้วก็ไม่มีฤทธิ์มีเดชก็ไม่เป็นไรให้มันพ้นทุกข์ก็แล้วกันค่อยๆฝึกเอาเบอร์ร้อยสองนมันสการหลวงพ่อครับ ผมเนี่ยพูดไม่ค่อยออกนะฮะไม่ชินมั่งเจอแมสปิดปากบางคนปิดแล้วพูดไม่ออกะผมผมพยายามมาฟังคำหลวงพ่อทุกสัปดาห์ฮะทีนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะฮะไปอยู่วัดป่าไปอยู่วัดมาฮะแล้วเหมือนจะติดเพลงกลับมาจะให้หลวงพ่อไม่ไม่มีปัญหา มันไม่มีปัญหาถ้าเราเพ่งแล้วติดเพ่งรู้ว่าติดเพ่งอยู่ก็ใช้ได้แล้วอย่างนี้ไม่ติดนานเดี๋ยวก็ค่อยๆคลายออกนะครัอ๊ที่จะติดเนี่ยหมายถึงว่าไปติดแล้วไม่รู้ว่าติดเนี่ยนั่นถึงมีปัญหาก็ผมไม่รู้ว่าสภาพมันติดอะไรครับไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนจะติดนะรรู้แค่นั้นพอแล้วนะไม่ต้องอยากหายนะสภาวะที่ปรากฏขึ้นมาที่รู้สึกติดๆอยู่เนี่ยก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน ทีนี้จุดหนึ่งก็คลายเหมือนกับสภาวะอย่างอื่นนั่นเองมันเท่าเทียมกันทุกๆสภาวะแหละงั้นอย่าไปตกใจวันนี้ขอกบ้านหลวงพ่อเลยฮะเดี๋ยววันนี้จะขอกันบ้านหลวงข้อเขาคุณนะทําความสงบแล้วก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวไปที่จริงกรรมฐานที่เหมาะกับคุณคือการดูจิตนะครับการดูจิตที่ดีเนี่ยเราทําสมาธิไม่มากถ้าทําสมาธิมากแล้วจิตจะนิ่งเกินไปครับเราทําพอให้จิตใจแช่มชื่นมีความสุขนิดหน่อยนะ แล้วเราตามดูจิตเขาทํางานไปเรื่อยๆเลยเนี่ยตอนเนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมนะมันไหลวูบไปเลยแล้วก็เห็นจิตมันไหลไปนะคล้บยๆนี้เหมือนกับมันมันมันมันนิ่งผิดปกติอะฮะอะไรนะมันนิ่งผิดปกติฮะพักเนี่ยฮะเพราะว่ามันติดเพ่งไงถ้านิ่งผิดปกติครับรู้ว่าติดเพ่งไม่มีปัญหาแล้วนะติดไม่นานเดี๋ยวก็หายครับพวกที่ไม่รู้ว่าติดอยู่เนี่ยมีปัญหา พวกที่ติดอยู่แล้วไม่รู้แต่ว่าดิ้นรนไม่ยอมรู้เฉยๆดิ้นรนหาทางแก้อันนี้ก็มีปัญหาไม่คุณอย่าดิ้นรนหาทางแก้นะยิ่งดิ้นรนหาทางแก้ยิ่งติดนาน ร, รู้เฉยๆไม่ติดออกเบอรับแมดสี่อ48 48ค่ะ <48. S 2> <48. S 3> หลวงพ่อเดี๋ยวขออนุญาตโอนสิทธิ์ให้เพื่อนนะคะเพื่อนไม่ได้ส่งการบ้านมาปีหนึ่งแล้วค่ะโหรอโหน่าเห็นใจไหน นมัสการค่ะหลวงพ่อพอดีเมื่อปีที่แล้วก็มีโทสะกับหลานชายมากพอมาปีนี้หนูเลิกหนูหายหมดเลยค่ะหนูเบาลงเดี๋ยวนี้เขากลับบ้านห้าทุ่มหนูยังไม่โกรธเขาเลยค่ะจิตติดความสงบนะจิตติดว่างๆอยู่ไม่ได้อย่าให้ติดตรงนี้อยู่นะติดตรงนี้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วมันจะรู้สึกสบายโล่งโปร่งไป หนูต้องทํำยังไงล่ะคะหลวงพ่อพยายามมารู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายทํางา น, นดูกายมากๆเห็นร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะใครดูร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ดูอย่างนี้บ่อยๆนะใจของคุณมันหนีหลบเพราะไปอยู่ในความว่างๆอยู่ตรงนี้ใครจะเป็นจะตายเราไม่เดือดร้อนละมันจะเอาแต่ความสุขละแต่ว่ามันไม่พอใจเรายังไม่ได้พ้นกิเลสจริง มันไปติดในความโล่งๆอย่าไปติดอยู่ตรงนี้เสียเวลานานนะหลวงพ่อเคยติดตรงเนี้ยเมื่อสี่สิบหกตอนนั้นติดอยู่เป็นปีปๆเลยอาจารย์มาหาบัวท่านแก้ให้กาบมานาสการหลวงพ่อคะ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนยกมือมองไม่เห็ น, นอ๋อกาบมานาสการหลวงพ่อนะคะลูกเนี่ยฝึกโยคะนะคะแล้วก็ฝึก ปายมามะแบบหยุดลมหายใจได้นานๆนะคะแล้วมันก็มีเหมือนกับว่าจิตฟุ้งไปจิตฟุงฟ้งเรารู้รู้คขะฟุ้งรู้แล้วก็ก็แปลกใจว่าทำไมนอนไม่หลับอะคะอ่ะพอนอนหลับด้วยสมาธิก็ไม่หลับจิตมันตื่นรู้ตลอดเวลาเลยมันไม่ได้รู้ธรรมดาหรอกมันเจือด้วยโทสะด้วย ม, มันเจือด้วยความไม่ชอบใจค่ะอย่างตอนนี้จิตยังเจือด้วยความไม่ชอบใจเลย เวลาเราเล่าเรานึกถึงที่นอนไม่หลับเลยนะใจเราก็หงุดหงิดขึ้นมาค่ะเพราะงั้นใจเราไม่ได้เป็นกลางค่ะค่อยๆหัดรู้ด้วยใจที่เป็นกลางของคุณเนี่ยจิตมันจะฟุ้งซ่านแรงฟุ้งซ่านแรงฟุ้งซ่านอย่างรุนแรงนะเพราะั้นคุณรู้ลมหายใจไปเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆนะรู้ตรงนี้บ่อยๆเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยๆใจมันจะค่อยๆสงบลงมาพอใจสงบลงมาแล้วรู้ทันว่าใจสงบค่ะ แล้วใจฟุ้งซ่าน ร, รู้ว่าใจฟุง้งซ่านไปฝึกยกคะต่อไปค่ะหลวงพ่อคะแต่มีญาติทางคุณแม่ค่ะพาไปดูทรงทรงบอกว่าหนูโดนทําคุณใสใสอะค่ะเหรอค่ะเออสนุกดีป่ะภาวนาไปสิภาวนาไปนะภาวนาเออให้สติมันอยู่กับเนื้อกับตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่เข้าหรอก จิต <c oughs> นะล่องรอยอย่างนั้นมันก็อ่อนแอสิเปิด <c oughs> ช่องว่างให้ขโมยเข้าบ้าน <c oughs> แต่ก่อนหลวงปู่ดูลนะท่านเดินทุดงไป16ปีแล้วก็พระผู้ใหญ่สั่งท่านให้มาอยู่สุรินทร์ให้กลับมาอยู่สุรินทร์ท่านก็มาอยู่วัดบุรพารามมาทีแรกนะคนสุรินทร์ยุคนั้นเนะ่ยเล่นศิลศาสตร์ทั้งนั้นเลยแล้วริดเยอะนะแต่ละคนริดเยอะเลยทั้งพระทั้งโยมนะไม่ชอบท่านพระเนี่ยไม่ชอบแต่โยมอยากลองของเฉย พระกลัวว่าเดี๋ยวชาวบ้านไปนับถือท่านแล้วเลิกนับถือตัวเองพวกนี้นะปล่อยของมาใส่ท่านกลางคืนนะจะมีเสียงฟิ้วมารอบกุฏิเลยฟิ uel, uel, uel, uel ้วเฟิ้วฟิ้วนะพอตื่นเช้าหลวงปู่ยิ้มหวานเลยเดินออกมาเก็บมีดโกนใส่ถุงไว้ถึงเวลาเอาไปแจกพระแจกเนนไม่ต้องซื้อมีดโกนใช้เลยเง <laughs> ินปล่อยมาฟิ uel, uel ้วฟินะ้วงั้นภาวนาไว้นะ แต่เราอย่าไปท้าทายมันมีทีเผลอเราไม่ได้ไปท้าทายเขานะเราจเจริญเมตตามไม่เป็นศัตรูกับใครคนะแต่เรจเริญสติไปอ่าต่อไปครึ่งห้องด้านหน้าขอบพระคุณค่ะร4 8่นะนรัการค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ส่งกันบ้านมาสามเดือนแล้วค่ะเออพอดี แล้วไงเอ่อก็มาส่งกันบ้านค่ะมีอะไรไม่เห็นมีปัญหาอะไรไปทำอีกวะไม่ค่อยมีแรงหรือเปล่าคะรู้สึกโทรศัทช่วงนี้เยอะโทรศเยอะไม่ใช่ปัญหา<ฆ>แล้วแรงน้อยไปหน่อยทําในรูปแบบไว้แต่ว่าอย่าทำเพราะหวังว่าจะดีค่<ฆ>นะถ้าทำเพราะหวังจะดีจะ ย, ยิ่งโมโหใหญ่ค่ะแล้วช่วงนี้ก็รู้สึกเห็นทุกข์ทั้งทั้งกายทั้งใจเลยอะค่ะดีแล้วละเราภาวนาให้เห็นทุกข์ไม่ใช่ภาวนาเอาสุข<ฆ>นะเบิรเก้าห้าพอะคุณค่ะ หลับนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะคือลูกปฏิบัติโดยฟังซีดีของหลวงพอ่อตามรู้ตามดูมาประมาณสัก 3- าสเดือนแล้วเจ้าค่ะ อ, อยากจะลบกวนหลวงพอ่อม่กิเลสหรื อ, อยังล่ะเวลากิเลสเกิดรู้ไหมยังเวลาโมโหเขึ้นมารู้ไหมทราบเจ้าค่ะเ น, นี่ยดูบ่อยๆกิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะกิเลสที่เกิดบ่อยเลยสําหรับคุณก็คือกโกรธโทสะมันจะเกิดบ่อย โนะมโหขึ้นมารู้ขัดใจแล้วรู้ขัดใจแล้วรู้ฝึกอย่างนี้แหละไม่ใช่รู้เพื่อห้ามแต่รู้เพื่อให้เห็นเลยว่าจิตมันโมโหขึ้นมาได้เองนะพอเรารู้จิตมันก็ดับไอ้ที่จิตที่โมโหมันก็ดับไปเองทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วก็ดับหรือจิตที่มีความสุขจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะทุกอย่างเกิดแล้วดับดูอย่างนี้เรื่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ <dissoci ator S 1> ไปทำอีกฝึกมาดีละ บเบอร์แปด 8. ใครง่วงนอนยกมือขอให้ยกมือซ้ายนะยกมือมีพวกชี้ง่วงจำปลอมนี่ไม่ยอมยกสักมือยกไม่ไหวครับง่วงมาก <c oughs> อ้าวเชิญนามัศ ก, การหลวงพ่อค่ะไม่เคยส่งกันบ้านเพิ่งจะมา อ, อยากทราบวิหารธรรมอะค่ะว่าหนูควรจะปฏิบัติอย่างไรอะค่ะของคุณนะ่มันขาดสมาธิไปนิดนึงนะใจมันยังฟุงฟ้งๆอยู่เพราะงั้นกระดุกระดิกร่างกายนะเราคอยรู้สึกบ่อยๆนะหนูใชก้กระดุกระดิกร่างกายดีกว่าแค่รู้ ร, รู้รู้ทันกายไว้ก่อนใจมันเบาเกินไปมาดูใจแล้วมันจะล่องลอยไปพยายามรู้สึกที่ร่างกายไว้มากๆหน่อยแต่ไม่ใช่เพ่งร่างกายนะ แค่ร่างกายมันกระดุกกระดิกร่างกายมันหายใจร่างกายเล้วซ้ายแรงกว่าคยนึกถึงมันบ่อยๆแค่นึกถึงมันไม่เพ่งมันนึกถึงกายบ่อยๆนะเบอร์ร้อยแปดส้าทางนี้นกับนับสกสกันหลวงพ่อครับยังติดเท่งแล้วก็มีโมหะอยู่ครับผมอะไรนะยังติดติดเท่งอยู่แล้วก็มีโมหะอยู่ครับผมไม่มากแล้ว <c oughs> นะดีขึ้นเยอะและ้วไม่ทราบว่าถ้าทําในรูปแบบตอนนี้ทําได้หรือยังครับได้ เพราเรารู้จักว่าเพ่งเป็นไงแล้วไม่มีปัญหาแล้หลายคนนึกว่าหลวงพ่อไม่ให้ทําสมถะไม่ใช่นะหลวงพ่อเองก็ทําสมถะมาจนโชคโชลแล้วสมถะก็จําเป็นแต่ว่าบางคนเนี่ยหลวงพ่อบอกให้หยุดสมถะไว้ชั่วคราวก่อนพวกที่ติดเพ่งอะ่ะก็มาหัดรู้ทันจิตจนจนกระทั่งชํานาญแล้วรู้ว่าเพ่งเป็นยังไงตอนนี้ทําสมถะได้แล้วทำแล้วมันจะไม่ไปติดเพ่งอยู่ไม่ทราบว่าสมถะรูปแบบแบบไหนที่จะเหมาะ ของคุณเคยใช้อะไรล่ะของคุณที่หายใจก็ได้หายใจก็ได้นะครับผมเบอร์เจสิบหนึ่งหลวงพ่อคะส่งกันบ้านในรอบหลายเดือนพอสมควรตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าหนูทั้งเผลอแล้วก็ทั้งประคองตอนนั้นไม่รู้แต่ตอนนี้คิดว่าเริ่มเริ่มเข้าใจว่าสองอย่างเป็นยังไงถูกต้องละ หลวงพ่อค่าไม่ไม่เข้าใจคําว่าจิตตั้งมั่นนะคะเพราะว่ามันยังไม่ตั้งรู้จักจิตที่ไม่ตั้งมั่นไหมรู้จักจิตวิ่งไปวิ่งมาหลงไปหลงมาจิตตั้งมั่นก็คือจิตที่มันตรงข้ามกันอ่ะไม่หลงไปแต่ไม่ได้ประคองไว้ไม่ได้รักษาไว้นะแต่ไม่หลงไปตอนนี้หลงไปคิดแล้วรู้สึกไหมตรงนี้ไม่ตั้งมั่นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะความไม่ตั้งมั่นดับไปนั่นก็เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะให้เกิดอยู่เรื่อย มีอีกหนึ่งคำถามนะคะหลวงพ่อในซีดีหลวงพ่อจะจะบอกว่าถ้าเวลาเดินถูกเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ตัวเราแต่หนุมไม่รู้สึกนะคะไม่เป็นไรคือเห็นเกิดเห็นดับเห็นอะไรพวกนี้เห็นว่าคอนโทรลไม่ได้เห็นเห็นว่าควบคุมไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะอย่างนั้นก็ใช้ได้แล้วเห็นอนัตตา ค่ะเห็นหน้าตาแล้วควบคุมไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจก็ใช่ได้แต่ก็เป็นตัวเราเต็มๆเลยนะยังเป็นอยู่นี่ตอนนี้ยังเป็นปุถุชนแล้วเป็นพระโสดาแล้วไม่มีเรานะยังเป็นปุถุชนมีเราแต่สังเกตไหมความรู้สึกมีเราเนี่ยความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยเกิดเป็นคลาลไม่ได้มีตลอดเวลาหรอกค่ะใครดูให้ดีนะมันจะเกิดเป็นคลาลมีแล้วก็หายมีแล้วก็หายนานไปก็รู้ตัวเราจริงๆไม่มีหรอกคิดขึ้นมาเป็นคลาลเท่านั้น บอรสาแล้วหนูปฏิบัติเหมือนเดิมไปดอกปฏิบัติอย่างนี้ใช้ได้กราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะช่วงนี้หนูรู้สึกว่าอยากปฏิบัติแล้วก็ติดเพ่งอะค่ะเพ่งบ้างไม่มากหรอกแล้วหนูควรจะใช้วิหารธรรมอะไรคะ ห, หนูควรจะใช้วิหารธรรมอะไรคะหลวงพ่อคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองใบ่อยนะเป็นถ้าไปดูกายมากๆก็ไปเพ่งกายทื่อๆอีก สังเกตไหมเมื่อกี้ใจลอยคใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้นะฝึกอย่างนี้อย่าไปเพ่งให้นิ่งให้ใจลอยไปใจลอยแล้วรู้เอาค่ะห้าสิบเจ็ดครับมันมันยังรู้สึกนิ่งๆแล้วแต่ว่ามันเบาวกว่าเบาวกว่าเมื่อก่อนนะครับออมันยังกดเยอะยังกดเยอะแต่ว่ากดน้อยลงอหละรครับขอกันบ้านด้วย ร, รู้สึกไหมใจเรากระจายออกไปดว๋ไมไหมมันไม่ย้อนเข้ามา ถ้าดูจิตไม่ออกก็ดูเห็นร่างกายไปเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเห็นไหมมันพยักหน้าอีกแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆแต่อย่าไปเพ่งนะถ้าเพ่งแล้วจะอย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีรู้สึกที่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไหมห้าสิบห้ากลบนมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะคะหลังจากกลับจากวัดแล้วพอดีได้ได้โจทย์ที่ เราตั้งใจหาคงไม่ได้ทําค่ะปฏิขับรถแล้วก็มันเกือบเข้ากรุงเทพแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วมีอุบิเหตุทีนี้ตอนตอนเกิด อ, อุบิเหต์นี่มันบางมากเลยหลวงพ่อแล้วยไงอ่ะบางมากแล้วก็เราก็รู้สึกว่าบอกตัวเองว่าเราเกิอดอุบัติเหตุทีนี้ตอนนั้นก็ไม่ได้หักพวงมาลัยไม่ได้เหยียบเบรคแต่เราประคองรถเข้าจอดข้างทางอืม แล้วลงมาหาดูปรากฏว่าหาแผลไม่เจอหาหลวงพ่อือมทีนี้กลับมาถึงกรุงเทพก็ค่อยมาดูอย่างละเอียดถึงรู้ว่ายางของเรานี่ถูกเฉือนเป็นบ้างบ้างๆตรงแก้มยางอืมทีนี้ตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ได้คิดถึงใครเลยหลวงพ่อลูกก็ไม่คิดถึงน่าเหลือนั่นแหละสติมันทํางานถ้าคิดถึงลูกก็ไปเป็นเปลิดไม่คิดถึงอะไรเลยแล้วมันบางมากมแล้วเรารู้สึกเบาๆแล้วก็ ม, มีความรู้สึกว่า สติเหมือนกับมันอัตโนมัติที่ฝึกกันมาก็เพื่อหลังนี้แหละนะจนถึงเวลาที่จะตายจริ ง, รงๆแล้วสติก็อัตโนมัติขึ้นมาก็ฝึกเอาดีแล้วและจากนั้นไปก็เลยคิดว่าความเป็นกับความตายนี่มันติดกันมากเลยหลวงพ่อข้ามเส้นนิดเดียวนะเห็นเลยชีวิต<า>เราอยู่ตลอดมาเนี่อยู่ด้วยความประมาทเรา <c oughs> นึกว่าเรายังไม่ตายจริงตายง่ายมากเลย <c oughs> ดีแล้วละพาวนา ห <58 S 2> ลวงพ่อแล้วช่วงนี้ปฏิบัตินี่เป็นกลางมากขึ้นไหมคะหลวงพ่อเป็นกลางแต่ว่าตอนนี้ถูกอารมณ์ย้อมอยู่นะรู้ทันแลาสิดข้างหลัง อ, อ๋เก่งแล้วอยาจะขอการบ้านหลวงพ่อครับไปปฏิบัตินะครับแล้วที่ผ่านมาไม่ได้ปฏิบัติเย <c oughs> รู้สึกรู้สึกว่าก็ปฏิบัติครับแต่รู้สึกเหมือนแบบรู้สึกว่ามันถอยลงไปเรื่อยๆเลยครับ ลองหาที่ไปภาวนาดูบ้างนะไปบุญยาวาดไปอะไรเงี้ยเรคือหลักเรารู้แล้วแต่ว่าบางครั้งภาวนาไปแล้วมันเฉื่อยเหมือนคล้ายๆจำเจเฉื่อยไปก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเหมือนที่พระต้องออกทุดตรงอะถ้าเป็นพระตอนนี้หลวงพ่อจะให้ไปเดิ น, บบนเบอร์สามอยู่ข้างลังคนนี้อายุกี่ปีละ่ะส1บอดค่ะเออว่าไป11อใช้ได้ละ ลวงพ่อให้หนูไปดูใจแล้วคือว่าหนูมีครั้งหนึ่งหนูโกรธเพื่อนแล้วหนูเพิ่งรู้ตอนที่หนูโกรธเสร็จอะค่ะเหรอโกรธเป็นนานไหมนานค่ะนานแล้วหายโกรธเป็นนานยังถึงรู้นานแล้วค่ะ อ, อ้งี้ช้าไป <c oughs> ถ้ากาลังโกรธอยู่กาลังเต้นแรงเต้นกาอยู่แล้วก็เห็นว่ากำลังโกรธอยู่เออ ย, อยางงี้ดีนะแต่ถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้นี่ช้าไปนะไปฝึกเอานะ ใจเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมว่ากิเลสของเราผ่านมาผ่านไปทั้งวันเลยรู้ค่ะดูออกใช่ไหมเห็นไหมใจเราเดี๋ยวก็สุข<ๆ>เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉ<ๆ>ยเยดูออกไหมค่ะเห็นไหมความทุกข์เกิดขึ้นเรื่อยๆดูออกไหมค่ะอย่างพอเราอยากอันนี้ใจก็ทุกข์อยากอันนี้ใจก็ทุกข์ดูออกไหมตอนนี้ยค่ะอยากอันไหนบ่อยล่ะอืมอยากอยากหลายอย่างเลยอะค่ะหลวงพ่อเก่ง อยากหลายอย่างนะสรุปแล้วมีหอย่างมีอยากดูเคยอยากดูไหมเคยค่ะเคยอยากฟังไหมเคยค่ะเ <tricked> คยอยากดมกลิ่นไหมเคยค่ะเคย อ, อยากกินไหมเคยค่ะเคย อ, อยากอย่างร้อนๆอยากอาบน้ำอะไรอย่างนี้มีไหมมีค่ะเคยอยากชิดไหมเคยค่ะเคย อ, อยู่ๆก็อยากโ น, น่นอยากนี่ไหมเคยค่ะโอเก่งเห็นไหมความอยากมีหกช่องทางนะอยากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยากอันไหนเกิดบ่อยที่สุด มันก็พอๆกันนะคะอ้ย่าไปหัดูอีกพาณิเก่งเชิเด็กนี่อยากเนี้ยนะมันอยากในใจเราเนี้ยเยอะมากเลยจริงๆความอยากทุกอย่างอะเกิดที่ใจทั้งหมดเลยอยากดูก็ใจเราอยากดูอยากฟังใจก็อยากฟังใช่ไหมค่ะอยากโน่นอยากนี่ใจเป็นคนอยากต่อไปนี้นะความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่หนูคอยรู้ทันเรื่อยๆนะไม่ห้ามนะแต่รู้ทัน ความอยากดับไปแล้วคราวนี้เราก็มาใช้เหตุผลเรามีชีวิตอย่างมีเหตุผลว่าสิ่งที่เมื่อกี้มันอยากเนี่ยสมมติว่ามันอยากจะ ก, กินข้าวพอเรารู้ทันความอยากหายไปแล้วเหลือเหตุผลแล้วสมควรจะกินข้าวเราก็ไปกินข้าวนะบางทีเราอยากดูการ์ตูนขึ้นมาเรารู้ทันใจที่อยากนะตอนนี้มันเป็นเวลาพักผ่อนว่างอยู่ไปดูการ์ตูนไดนะ้นี่ใช้เหตุผลน ะ, ะเราจะได้มีชีวิตอย่างมีเหตุผล ฝึกไปนะคเด็กทุกวันนี้น่าสงสารเด็กทุกวันนี้ตกเป็นเหยื่อพ่อค้าเขาโฆษณาสินค้านะเขากระตุ้นให้เราอยากเคยอยากมีมือถือไหมเคยค่ะอแล้วเห็นของเพื่อนเขาใหม่ควายอยากได้อย่างเขาไหมอยากค่ะเห็นไหมเนี่ยมันจะหลอกเราตลอดเลยนี่ยทําให้เราอยากไปเรื่อยๆะเพราะฉนั้นถ้าเรารู้ไม่ทันใจของเราเองนะเรามีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้หรอกนะเพราะฉะนั้นดูดูทันใจของเราเรื่อยๆฝึกได้ดีเชยหนูเนี่ย เอาเบอร์ห้าบสี่บ้านอยู่ไหนล่ะเด็กเนี้ยอยู่กรุงเทพเหรอเออเก่งเพราะวา่าน่าเก่งในหลวงพ่อมีลูกศิษย์เล็กๆเนี้ยหลายคนเลยเก่งหลายคนภาษาลิบุตรนะท่านมีเนนในสังกัดท่านเนนของท่านอายุเจ็ดขวบนะเป็นพระอราหันต์ัง้งห้าหองเนเราอย่าอื้อฮือเลย <laughs> เราโสดาก็ไม่ทันแล้ววห <laughs> วนะ่ <laughs> เกินเนนแล้วนะ <laughs> กลับธรรมส ก, การค่ะหลวงพ่อตื่นเต้นค่ะหลวงพ่อครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ว่าสวมดมนต์แล้วก็รู้สึกว่าโลง่โลงๆค่ะเป็นสภาวะอะไรคะก็รู้ไจสีโล่งก็รู้นะแต่อย่าให้จิตติดในโลง่งแล้วติดไหมคะติด <c oughs> ติดบ่อยด้วยค่ะใช่ตรงเนี้ไม่เอาค่ะแล้วทีนี้เครื่องอยู่เป็นอะไรดีคะหลวงพ่อพยายามรู้สึกร่างกายให้ชัดๆขึ้นรู้สึกร่างกายให้ชัดชัดอย่าให้ไม่ติดในโลง่งในว่าง เขาคุณจิตมันไปนติดโล่งๆไม่ดีไม่ไม่เป็นกลางเลยค่ะหลวงพ่อมันยินดีในความโล่งความว่างมากเลยค่ะนั่นแหละให้รู้ทันว่าไม่เป็นกลางถ้าจิตไปติดความโล่งความว่างนะบางคนนึกว่าเป็นพระอระหันต์ด้วยซ้ําไปเพราะมีความสุขตรงเนี้ไม่ดีเลยปิติบ่อยมากเลยค่ะเราปิติให้รู้ว่ามีปิตินะเกิดอะไรขึ้นให้รู้ของคุณรู้สึกที่กายให้กระชับกระเฉงขึ้นเพราะกายเนี่ยมันจะสะท้อนให้เราเห็นแล้วว่ามีแต่ทุกข์ ไม่ใช่แต่มีแต่สุกเพลิดเพลินไปตอนนี้นะดูลงมาที่กายเนี่เยอะๆจะเห็นทุกเยอะแยะเลยแต่มันจะได้ขยันภาวนาไม่ไปติดในความนิ่งความว่างใช้ได้บ้างไหมคะหลวงพอ่อติดว่างอยู่ก็คือไม่ได้อะไรเลยนะคะตอนนี้ได้ก็สติก็มีอะไรก็มีนะแต่ว่ามันไปเพลิดเพลินในว่างความรู้สึกตัวก็มีนะคุณภาวนามาได้ไม่ไม่เร็วหรอกใช้ได้เชียวล่ะ แต่ว่าอย่าให้มันติดในนิ่งในว่างนี้สติเกิดรู้สึกไหมรู้ค่ะรู้สึกไ้มรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แทบทั้งวันใช่ค่ะอแต่ว่าติดจิตมันไปติดมันเคลื่อนไปนิดหนึ่งมันเคลื่อนออกไปอยู่ข้างหน้าอยาเงี้ยแล้วไปติดว่างๆอยู่ตรงเนี้ยสบายทั้งวันเดี๋ยวทำได้ไหมลองหน่อยเรามันไม่เคลื่อนซะด้วย เนี่ยมันจะไปอยู่ตัวนี้กลางคืนก็เป็นนะคะหลวงพ่อยังทราบเลยว่ารู้ตัวรู้ตัวทั้งคืนด้วยก็มีรู้ตัวทั้งคืนไม่เป็นไรแต่ตรงนี้พูดตะเกียบมันแล้วรู้สึกไหมใช่ค่ะนะเนี่ยรู้ทันความชอบใจที่เกิดขึ้นความสนุกที่เกิดขึ้นนะเราอย่าให้จิตติดนิ่งติดว่างดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะอ้าวได้อีกคนนึงใครจะสมัครร้อยแ่อแถมอีกคน24 ได้สองคนนะหลวงพ่อนําหมดแรงและเหนื่อยพูดมาหลายวันแล้วกล่าวนมัส ก, การคะ่ะหลวงพ่อคือช่วงนี้หนูจะรู้สึกติดเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยคือหนูโทรสะแรงมากพอหลังจากโทรสะแรงปุ๊บรู้สึกว่า4ี่วันหลังจากนั้นมันตัดแบบแห้งๆแล้วบางทีเราเราต้องเข้าไปกวาดเราก็ยังไม่รู้ว่าเราเรารู้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่รู้ก็รู้ไม่รู้ไปแล้วมันติดอะไรไหมคะรู้สึกเหมือนติดเราไม่ยอมรับวิบากที่เกิดขึ้น เวลาเรามีกิเลสที่รุนแรงนะจิตถัดจากนั้นอ่ะหาความสบายไม่ได้หรอกมันจะแห้งแล้งไม่มีความแช่แห้งไปหลายวันเพราะถูกกิเลสเผาไปนั้นยอมรับสภาพยอมรับว่าจิตแห้งยอมรับว่าแล้วก็ดูไปรู้ทันจิตไม่อยากจะแห้งรู้ทันอย่างนี้นะแล้วมันก็ต้องรับชะตากรรมไปแล้วเดี๋ยวก็หายแต่ช่วงนี้เริ่มคลายขึ้นมาเริ่มคลายแล้วมันรับวิบากไปแล้วเมื่อทํากรรมเนี่ยนะจะต้องมีวิบาก ถ้าเราตามใจกิเลสอย่างรุนแรงนะถัดจากนั้นเนี่ยอย่าเป็นนึกเลยว่าจะมีความสุข <Okay. S 1> หรือช่วงไหนนะราคารุนแรงช่วงถัดไปโทสะจะแรงอีกนะ <Okay. S 1> ช่วงไหนฟุ้งซ่านมากช่วงถัดไปจะซึมนะต้องเวียงกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แหละห้ามมันไม่ได้หรอกเป็ น, นกลไกของจิตเอาต่อไปเบอร์2 4่ี่แล้วแถมอีกสองคนเบอร์52กับเบอร์200นะ นมัส ก, การค่ะหลวงพ่อคือฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ3เดือนนะคะเราก็เริ่มปฏิบตัติคืออยากทราบว่าตอนที่มีที่ปฏิบัติเนี่ค่ะคือมันไม่ทราบว่าคือเราคิดไปเองหรือว่าเราไปเพ่งว่าเราแบบว่าคิดว่าเราแบบเดินเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเรายังคิดอยู่นะมันยังเจอด้วยการคิดเนี่ยครรู้ความรู้สึกไปเคยโกรธไหม โกรธขึ้นมาแล้วรู้โลภขึ้นมาแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้หัดรู้อย่างนี้บ่อยๆนะอย่าพยายา ม, อมของคุณพยายามไปดูมันเลยกลายเป็นการไปคอยกวานหาไปจ้องเอาไว้มันเลยไม่เห็ น, น <ะ S 1> แล้วเจะลิตของหนูนี่คือเหมาะที่แบบต้องตืจิ ต, <ล>จตเเลยใจเราช่างคิดเบอร์52บกราบหลวงพ่อค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาเป็นปีแล้วค่ะ เเห็นความเปลี well ่ยนแปลงยังเริ <the> right? <another one among themselves> ่มเหลวงพ่อก็เห็นล่าเปลี่ยนแล้วนะค่ะก็เห็นว่าใจมันทํางานของมันเองค่ะดีไม่ต้องไปบังคับมันก็ทำของมันเองมันทําได้ทั้งวันเลยค่ะนั่นแหละตามดูไปถึงวันหนึ่งจะรู้ว่ามันไม่ใช่เราแล้วค่ะก็มีสภาวะธรรมหนึ่งเกิดขึ้นคือขหนขันมันกระจายตัวออกค่ะนั่นแหละใจมันตั้งมั่นขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเห็นการแยกออกไปรู้สึกแม่ใจมันเป็นคนดู ค่ะแล้วก็เห็นมันเข้ามารวมกันเหมือนเดิมเอ่อธรรมดายังปล่อยไม่ได้จริงหรอกถ้าปล่อยได้ก็เป็นพระอรหันต์อ๋อค่ะไม่ไม่ทราบว่าจะเอ่อตามรู้ตามอย่างเนี้ยใช่ได้นะแล้วไปเดินบ้างเคลื่อนไหวร่างกายไว้จะได้แรงเยอะวันนี้ค่ะไม่ทราบว่าจิตใจตื่นบ้างยังค่ะตื่นสิตื่นดีแล้วค่ะตื่นจนจะทั้งใกล้จะหลงก็จายออกไปแล้วขอบคุณค่ะเบอร์200เบอร์200ย อายุเท่าไหร่คนนี้สิบเอดครับโอ้โชคกันได้เลยขนาดเดียวกันบางครั้งผมเห็นใจมันทำงานโดยอาตมโนมาแล้วก็ตามรู้ตามดูไปครับบางครั้งผมไปเรียนผมตื่นเช้ามาผมก็มีสติบางครั้งอมตอนเย็นก็มีสติบ้างมีสติแล้วเห็นอะไรเห็นร่างกายัหมเห็นจิตใจไหมเห็นครับรู้จักเผลอแล้วใช่ไหมเผลอบ่อยไหมวันหนึง่ง ก็บ่อยครับยิ่งรู้ว่าเผลอบ่อยยิ่งดีนะไปฝึกน้าเด็กเนี้ยตื่นแล้วครับคนนี้ตื่นเลยนะเข้าท่าเลยใครอิจช้าเด็กดสารภาพมีเรารู้สึก<ง>มีคนอิจชา้าอ่ะหลวงพ่อครับอขอให้พ่อผมหน่อยได้ไหมครับ <laughs> อ, อ้าวว่าไป <laughs> ครับกาวนมรสกการหลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกเพ่งครับหายไม่ค่อยเพ่งแล้วนะครับใจเริ่มตื่นแล้วครับขอบพระคุณมากครับไปฝึกนะฝึกทั้งบ้านเลยครับฝึกส่วนผู้หญิงน่ะมันไปติดนิ่งๆนิดนึงอย่งไปกดไว้นอกนั้นใช้ได้เลยสงคนแลหายังไม่หมดบ้านอีกเหรอครับครับขอบพระคุณครับทําหมดแล้วนะเชิญกลับบ้าน เนี่ยวัดหลวงพ่อน้ํามากัเป็นครอบครัว